แล้วก็มาพูดคุยกันนะธรรมะนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนาะนะพูดธรรมะนี่ไม่ให้ให้คิดเข้าใจนะนะพูดธรรมะเพื่อให้เข้าใจว่านะเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเนะถึงจะเกิดความเข้าใจธรรมะนะธรรมะจะ จะเข้าใจด้วยความคิดเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากครูพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ละเอียดเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมาก น, นะไม่สามารถเนีน่ยเข้าใจได้โดยผ่านการคิดเนี่ยคำหนึงคำนวณเนี่ยตึกตองต่างๆถ้าสมัยก่อนนะคนเข้าใจธรรมะผ่านการคิดเนี่ยคง นักปัญญาทั้งร้ายนะเขาก็ค ง, ง, งเขาก็คงเข้าถึงธรรมะแล้วนะหรือคนที่สมองดีๆนะปัญญาดีๆก็คงจะเข้าใจธรรมะไปเยอะแล้วแต่ที่จริงธรรมะมันมันมันเข้าใจได้ไม่ใช่เพราะการเพราะการคิดนะแต่มันเข้าใจได้ด้วยการที่ เรารู้จักว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะแล้วก็ต้องอาศัยนะความขยันความเพียรในการกระทำลงไปนะมันก็จะเกิดผลไดนะ้ไม่ต้องอาศัยความฉลาดทางโลกมากนะแต่ก็ต้องมีในการนะแยกให้เข้าใจว่านะนะ อะไรเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันถูกอะไรเป็นสิ่งที่ทําแล้วแล้วมันผิดนะเรียกว่าถูกทางกับผิดทางนะเหมือนคล้ายๆเหมือนเราเดินทางนะเราเดินทางมาที่นี่กนะ็อาจจะมาได้ในหลายเส้นทางแต่เราก็ต้องชัดเจนในเป้าหมายในที่ที่เราจะเดินทางมาให้ถึงนะเพราะถ้าเราไม่ชัดเจนในเป้าหมายนะ ไม่ชัดเจนในทิศทางการเลือกเส้นทางในการเดินมันก็อาจจะไปผิดที่ผิดทางก็ได้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะชีวิตของเราทุกคนทุกสรรพชีวิตก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ชัดเจนในเป้าหมายในการในการใช้ชีวิตนะชีวิตของเราก็จะผิดทางนะ ถ้าเราตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิตว่าอทําอย่างไรเนาะอย่างที่เราสวดในบททำบัตรเช้านะทำเช่ไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้นะจะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ก็ประมาณพูดง่ายๆก็คือว่าทําอย่างไรเราถึงจะทําความสิ้นสุดแห่งทุกนี้ให้เกิดขึ้น ในชีวิตนี้ให้ได้อันนี้ถ้าเรากำหนวดว่าอันนี้คือเป้าหมายของชีวิตของเราเอง <c oughs> วิธีการเดินทางก็เนี่ยวิธีการเดินทางเพื่อทำที่สุดของกองทุกทั้งสิ้นนี้ให้ปรากฏให้ได้อันนี้ถ้าเรากำหนดเป้าหมายแบบนี้มันก็จะชัดเจน <c oughs> แต่ถ้าเราทบทวนโดยชีวิตของคนทั่วไปนะ ตัวมทั้งชีวิตของเราเองในที่ผ่านมานะ ช, ชีวิตมันมันเป็นแบบชีวิตมีความสุขก็มีความทุกข์ความทุกข์นี่ก็ทําให้ร้องไห้เสียใจทําให้คิดมากทำให้เอ น, นอนไม่หลับทําให้วิตกกลงบนความสุขทั่วไปก็เป็นความสุขจากการที่เราสมหวังสมในสิ่งที่ปรารถนา ซือได้ในสิ่งที่ต้องการนะแต่มันก็ยังไม่ใช่ความสงบสุขจริงๆนะมันเป็นความสุขที่เกิดจากการได้รับสิ่งต่างๆก็อาจจะมีบ้างบางคนอาจจะได้รับความสุขที่เกิดจากการทําสมาธินะหรือพึงพอใจในชีวิตของตนเองนะมันก็เป็นความสุขอยู่ระดับหนึ่ง แต่คนเฉยก็จะวนเวียนในการแสวงหาความสุขแล้วก็ต้องเจอกับความทุกขนะ์เรียกว่าชีวิตสุขทุกข์สลับกันไปสลับกันมานะก็แล้วแต่ว่าชีวิตของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรนะขึ้นอยู่กับวิธีคิดของแต่ละคนด้วยบางคนคิดบวกก็สุขมากหน่อยบางคนคิดลบก็ทุกข์มากหน่อยบางคนเจอปัญหาในชีวิตเยอะนะก็ทุกข์มาก เราคนเจอปัญหาในชีวิตน้อยก็สุขมากหน่อยนะแต่ยังไงก็ยังวนเวียนอยู่ในความสุขความทุกข์นะการยังวนเวียนอยู่ในความสุขความทุกข์แบบนี้นะนะมันก็ยังไม่ใช่การทำที่สุดแห่งกองทุกข์นะการสุขแบบนั้นก็ยังไม่ใช่นะเป็นการค้นทุกขนะ์เราต้องเข้าใจแบบนี้นะนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิเสธนะ แต่ถห้เราเข้าใจว่าการทําที่สุดแห่งกองทุกเนี่ยทั้งสิ้นนี้ให้ปรากฏชัดแก่เราได้เนะี่ยมันเป็นหนทางที่เราต้องอาศัยเครื่องมืออีกอย่างเข้ามาช่วยเครื่องมือที่จะทําให้เราเข้าใจชีวิตแล้วก็ไปถึงความพ้นทุกข์ได้นะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกทางสายเอกนะทางเส้นหลักหรือเส้นที่ เรียกว่าเส้นเอกก็คือเส้นลำดับที่หนึ่งก็ได้นะเรียกว่าทางในการจะเดินมหาสติประฐานจะเดินสตินะจนเป็นมหานะสตินะสติคือะระลึกได้สัมผัสัญญาคือความรู้ตัวนะหรือเราพูดง่ายๆก็คือสร้างความรู้สึกตัวนะ ทำแย่างไให้เป็นมหานะมหาแปลว่ามากแปลว่าใหญ่แปลว่ามีกำลังเยอะนะก็คือทำให้เกิดความรู้สึกตัวมีกำลังมากนะเมื่อเกิดความรู้สึกความรู้สึกตัวเกิดมีกำลังมากนะความทุกข์มันก็จะน้อยลงไปจนกระทั้งหมดไปนะถ้าเราเปรียบเทียบว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนกับพระอาทิตย์นะ อย่างตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ทันสว่างเพราะว่ามันยังอยู่อีกยังไม่พ้นอีกซีกโลกหนึ่งนะยังไม่ขึ้นมาให้นประเทศไทยเราตอนนี้ได้รับแสงอาทิตย์ใช่ไ้ยมันก็ยังไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่มีนะแต่เพียงว่ามันยังไม่ปรากฏสภาวะความไม่ทุกข์ก็เหมือนกันสภาวะ น, ะนิพพานก็เหมือนกันนะ เขามีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแหละนะเหมือนพระอาทิตย์นั่นแหละนะแต่เขาอยู่อีกฝากหนึ่งที่เรายังมองไม่เห็นเราจะทำอย่างไรให้ความสว่างเกิดขึ้นนะนะก็เหมือนเปรียบ เ, เสมือนว่าทำอย่างไรจะทำให้อาทิตย์ปรากฏขึ้นในใจของเราให้ได้แต่พระอาทิตย์ก็ยังเกิดก็ยังหมุนเวียนนะ มีกลางวันมีกลางคืนนะไปตามวัฏจักรของโลกนะมันเป็นไปตามเหตุของธรรมชาติแต่การที่จะทำให้สภาวะนิพพานนะหรือความไม่ทุกข์ปรากฏขึ้นในใจเนะีนะ่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างได้นะเพราะว่าที่จริงนิพพานมันเป็นสิ่งที่ที่มีอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าเราเราขาดความรู้สึกตัวนะก็เลยเกิดก็เลยมองไม่เห็น นิพพานก็เลยไม่ได้ปรากฏแต่จริงมันมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วทำอย่างไรเราถึงจะทำให้นิพพานมันเกิดขึ้นมานะเกิดขึ้นมาได้มากก็เหมือนไาชิตที่สว่างขึ้นมากๆนะความมืดอย่างตอนนี้ก็จะหายไปนะความสว่างสไบก็จะมาแทนที่นะจะเรียกง่ายๆก็ได้นะชีวิตนะชีวิตถ้าเราเข้าใจชีวิตในเชิงธรรมะนะ ชีวิตมันจะมีสองแบบนะชีวิตแบบมืดกับชีวิตแบบสว่างนี่แหละชีวิตถ้าสว่างนะมันก็มองเห็นทางนะมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าชีวิตแบบมืดมันก็หลงทางนะก็ทุกข์เดี๋ยวล่าไปชีวิตเราจะมืดหรือสว่างเนะีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกตัวไหมถ้าเรารู้สึกตัว ชีวิตก็จะสว่างก็จะตื่นขึ้นมานะคล้ายๆเหมือนตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเนะี่ยเรียกว่าชีวิตที่สว่างชีวิตที่รู้สึกตัวแต่ถ้าชีวิตที่มืดนะก็คือชีวิตที่หลับที่ไหลที่หลงที่ทุกข์นั่นแหละนะชีวิตที่มืดบางคนอาจจะตื่นแต่ตัวนะแต่ใจหลงใจทุกข์อยู่ก็มีนะนั้นการทำความารู้สึกตัวเนี่ยนะ คือทำอยังไงให้เราตื่นตื่นตัวทั่วพร้อมนะทั้งกายทั้งใจนะตื่นตัวทั่วพร้อมทั้งกายทั้งใจนะตัวก็ตื่นนะมีความกระฉับกระเชงกระปี้กระเป๋สดชื่นขึ้นมาใจก็ตื่นนะใจตื่นนี่เป็นแบบไหนนะไม่ใช่ตื่นเต้นนะนะไม่ใช่ตื่นเต้นเวลาเจออะไรใหม่ๆเวลาได้อะไรใหม่ๆ มันมีความตื่นเต้นไม่ใช่หรือนะตื่นนะในที่นี้คือตื่นจากความหลงนะตื่นจากความคิดนะพ้นออกมาจากอารมณนะ์เคยไหมแบบจมจมในอารมณนะ์เวลาเรากังวลใจเนะี่ยใจมันจมเข้าไปในความกังวลใจนะใจมันจมในความคิดด้วยนะเวลาเรากังวลใจจะเกิดความคิดนะ คิดปรุงแต่งในทางกลัวคิดปรุงแต่งในการเนะจออันตรายต่างๆทงๆรัรพนะย์น่ะเกิดความกังวลใจเกิดความคิดปุ้งซ่านนะกังวลที่ตกต่างๆนะกเรียกว่าใจที่มันจมนะตัวอย่างก็ ท, ก ท, ก ท, กทุกทุกอารมณ์แหละนะมันจะมีสภาวะที่จมในอารมณ์แล้วก็วนเวียนในความคิดนะต่างๆ อันนี้คือใจที่มันจมใจที่มันไม่ตื่นเราจะทำยังไรให้ใจมันตื่นออกมาจากความคิดแล้วก็อารมณ์นั้นๆให้ได้นะอารมณ์ไม่ได้สำคัญนะความคิดไม่ได้สำคัญเนะี่ยมันจะเป็นอะไรเรื่องของมันแต่หน้าที่เราคือทำอย่างไรเราถึงจะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาปลุกตัวเองให้ตื่นออกมาจากอารมณ์นะที่จริงมันก็ชัดเจนนะ ถ้าใจเราไปอยู่กับอารมณ์ไปอยู่กับความคิดเนี่ยมันจะทําให้เราจมกับอารมณ์วิธีการจะปลุกตัวให้ตื่นขึ้นมาก็คือกลับมันอยู่กับกายนี่แหละกายเนี่ยมันกายมันจะทําให้เราแบบหลุดออกมาจากอารมณ์ได้ก็คือทำไงเราจะกลับมาอยู่กับอยู่กับร่างกายนะให้ได้มากที่สุด กับมารู้ตัวในสิ่งที่ทำตรงที่ปัจจุบันนั่นแหละนะเพียงแค่รู้เฉยๆดูว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็แค่รู้สึกไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นอะไรนะไม่ต้องรู้สึกว่าเราทำอะไรนะแค่รู้สึกเฉยๆรู้สึกในสภาวะที่เป็นความรู้สึกของกายโดยที่ใจเข้าไปรับรู้ด้วย สภาวะที่เป็นความรู้สึกของกายคืออะไรนะมันคือผัสสะนะก็คือผัสสะคือการกระทบเช่นเราเดินนะก็คือผัสสะที่กระทบนะเช่นเท้าที่กระทบนะเรายกมือมันก็มีผัสสะที่กระทบนะมันพลิกนะมันมีการเคลื่อนมันมีการตั้งนะวางเองก็มีการเคลื่อนมีการกระทบนะมีการหยุดนะอันนี้แหละคือความรู้สึกนะ ความรู้สึกที่มันกายมันสัมผัสได้นะมกระทบกายนี่มันก็เป็นความรู้สึกอุณหภูมิกระทบกับร่างกายนี้ก็เป็นความรู้สึกเย็นน้อนอ่อนแข็งต่างๆกระทบมันก็เป็นความรู้สึกที่กายมันสัมผัสได้โดยทั้งตากระทบกับรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่น ดินกระทบรถนะกายกระทบกับภาษะต่างๆอันนี้คือเป็นเรื่องของรูปที่มันเกิดการกระทบนะจะรู้สึกที่ตรงที่มันกระทบเนี่ยแหละนะมันกระทบแบบไหนเราก็แค่รู้นะแค่รูนะ้รู้สึกแล้วว่ามันกระทบนะอย่างใบก็ได้นะถ้าเราทำในรูปแบบก็คือกระทบอย่างเช่นการเดินจงกรมการสร้างจังหวะ ถ้านอกรูปแบบก็เป็นการกระทบกับภาษานะก็คือตั้งใจนะทำอะไรก็มีความตั้งใจในสิ่งที่ทำเมื่อเราตั้งใจในสิ่งที่ทำมันก็จะเกิดการรับรู้ในสิ่งที่ทาสิ่งที่กระทบนั่นแหละเนะี mm ่ย hmm. นะให้พยายามรู้ตวเ น, นี้นนะแต่ไม่ใช่การรู้แบบเข้าไปเอาใจไปจ้องไปอยู่เฉพาะอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะนะ คำ ว, ว่ารู้การกระทบเนี่ยเป็นการรู้แบบดรว ม, มครับดนะูแบบรวมๆเหมือนเราดูเหมือนเราดูทีวีครัดูหนังในในจอก็เหมือนกันนะเราดูแบบรว ม, ม, มครับนะดูดูแบบดูทั้งจอเลยนะดูโดยรวมอะไรก็เด่นเราก็เห็นนะเวลานักสแสดงก็สแสดงเวลาฉากอะไรก็เด่นขึ้นมา เขาก็เห็นขคือของเขาเองนะเราดูแบบรวมๆอย่าไปอย่าไปจดจ้องจดจ่อที่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง <c oughs> การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเราอย่าไปจดจ้องจดจ่ออยู่เพียงแค่เท้าแค่มือแค่ลมนะต้องการรู้ตัวรว ม, รวมเหมือนเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้แบบรวมๆแต่ไม่ใช่เพ่งรวมๆนะครับ รู้รวมรวมก็คือว่ารู้โดยภาพรวมของความรู้สึกของกายแต่มันก็จะมีความเด่นชัดนะดับกันไปเรื่อยๆตามตามผัสสะที่กระทบทางกายนั่นแหละครับนะให้เรารู้แบบนี้บ่อยๆรู้แล้วก็วางนะรู้แล้วก็ทิ้ง <c oughs> ให้เป็นความรู้สึกตัวที่มันเพียงแค่ทีละครั้งนะเหมือน เหมือนจุดไข่ปลาจุดปูสต็อปนะที่มันจุดทีลระครับกันต่อต่อต่อต่อต่อต่อ <c oughs> ไม่ใช่เหมือนเราลากเส้นยาวที่มันต่อเนื่องแบบนั้นเราทำเหมือนเป็นจุดจุดจุดจุดจุ ด, จดที่มันต่อเนื่องกันไปเรื่อย มันครังมันลืมไปบ้างก็ช่างหัวมันนะก็มาก็ม า, ารู้สึกตัวใหม่นะไม่เป็นไรนะมันจะให้รู้ตลอดเลยมันก็ไม่ใช่นะมันก็มีความหลงเข้ามาแทรกบ้างนะแต่สิ่งที่เราทำก็คือว่าเมื่อเกิดความหลงคำว่าหลงก็คือเราลืมตัวลืมตัวว่าตัวกาลังทำอะไร หลงเข้าไปอยู่ในความคิดหลงเข้าไปอยู่ในอารมณ์นะเมื่อรด้รูกได้เมื่อลลไหเนี่ยนะก็กลับมารู้สึกตัวเลยนะรู้สึกตัวว่าทำอะไรนะรู้สึกอย่างไรนะไม่ต้องคิดว่าทำอะไรแค่แค่รู้สึกนะรู้สึกถึงกายที่มันดำลงอยู่นะมันอยู่ในสภาวะไหนสัมผัสตรงไปอันนี้คือความรู้สึกตัวมันก็เกิดขึ้นมาละนี่คือเรารู้สึกตัวที่กายนะ ปัสะอะไรที่กระทบที่กายเนะเราเรารู้สึกลงไปแต่พยายามแต่ไม่ต้องพยายามแบบนั่งนิ่งๆไปหาความรู้สึกนบะันทีเราก็ต้องสร้างนะสร้างรูปแบบขึ้นมานะสร้างจังหวะเดินจงกรมนะมีงานหลักนะเอาไว้ให้เกิดความรู้สึกตัวแต่ไม่ใช่จะรู้แต่งานหลักอย่างเดียวหรอกนะเราเดินนะกลับไปกลับมานะ ก็ไม่ใช่จะไปรู้แต่การเดินตลอดเวลานะอย่าไปกําหนดเท่งขนาดนั้นจ้องขนาดนั้นยกมือเองก็เหมือนกันไม่ใช่ไปกําหนดแต่การยกสิบสี่ท่านะทุกครั้งไม่รู้อย่างอื่นเลยนะรู้สึกตัว ร, มรวมๆนะบางทีมันก็จะเข้าไปเช่นลมกระทบมันก็รู้สึกบางครั้งกระพริบตามันก็รู้สึกบางครั้งหายใจมันก็รู้สึกนะ แต่เป็นความรู้สึกของมันเองบางครั้งเจ็บปวดเมื่อยขึ้นมาในร่างกายมันก็รู้สึกก็แค่รู้เนะี่ยพอก็จะรู้นะกายในกายเนะี่ยอยู่เป็นประจำนะทั้งกายที่เป็นภายในบ้างนะกายที่เป็นภายนอกบ้างนะกายที่หยาบบ้างกายที่ละเอียดบ้างนะสลับไปเรื่อยๆนะเท่าที่รู้ได้ อันนี้คือการกระทบทางกายเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากทำให้เราดูดออกมาจากความคิดนี้ได้ได้ชัดขึ้นเนาะนะกลับมาเรียกว่ากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวอันนี้เป็นการหลุดออกมาจากความคิดหรุดจากอารมณ์เมื่อเราพัฒนาความรู้สึกตัวในการรู้สึกที่กายชัดเนี่ยมันก็จะเห็นเวลาใจที่มันหลงไปคิด ใจที่หลงไปอยู่ในอารมณ์เมื่อเห็นเมื่อเห็นใจที่มันหลงเข้าไปเนี่ยอยู่ในความคิดอยู่ในอารมณ์เนี่ยแราก็จะรู้สึกใจรู้สึกตัวในฐานใจได้ด้วยคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยครอบคุมทั้งกายค้อบคลุมทั้งใจนะไม่ใช่รู้แต่ร่างกายเนี่ยที่เป็นรูปร่างแต่รู้สึกรู้สึกตัวเนี่ยรวมถึงรู้รู้ใจด้วย อย่างตอนนี้นะเราก็สามารถรู้สึกตัวได้เลยใช่ไหมครับว่านะรู้สึกตัวถึงร่างกายที่มันที่มันอยู่แบบไหนนะรู้สึกอยู่ใช่ไหมเราอาจจะเรียกว่าท่า น, นั่งนี่เป็นภาษาสมมติที่เราเรียกแต่จริงรู้สึกตัวเฉยๆเนะี่ยมันรู้สึกถึงการกัรกระทบเนาะนะเช่นอันนี้โดยภาษาเราเรียกแล้วเช่นก้นกระทบกับพื้นนะ มันก็มีน้ำหนักที่ลงไปนะมีความรู้สึกบางทีอาจจะเจ็บนิดๆ น, นะเพราะน้ำหนักที่กดลงไปนี่คือความรู้สึกอันนี้เราพูดเป็นภาษาแต่พูถ้ามันเป็นเพียงแค่กิริยาเฉยๆนะมันก็แค่รู้ว่าเป็นแบบนี้เนาะลมกระทบอาจจะเย็นนิดนึงนะมันก็เป็นความรู้สึกคําว่าอาการเย็น เ, นเนี่ยมันก็เป็นภาษาแต่จริงความรู้สึกเฉยๆมันก็คือรู้อย่างนี้แหละนะ น, นี้โดยดูโดยความรู้สึกของกายความรู้สึกของใจเนี่ยเมื่อมันหลุดไปออกจากฐานกายแล้วมันจะรู้สึกได้เลยเพราะว่าเราท่านสร้างฐานกายอยู่เป็นประจําเมื่อใจมันหลุดออกไปจากฐานกายมันก็คือหลุดต่ อ, อไปในความคิดอยู่ในอารมณ์นั่นแหละครับมันก็จะเห็นเลยแปล ว, ว่าเห็นใจที่มันแวกออกไป แว๊บออกไปบางทีแวบ๊บออกไปอยากไปดูนะแวบ๊บออกไปอยากไปฟังแวบ๊บออกไปอยากจะรสได้กลิ่นนะกิ่นอะไรนอสนะเขาทําอะไรนอสนะหรือบางทีเราดิ้มรสนะบางทีเราก็พยายามใจไปแยกว่าอันนี้มันเรียกว่ารสอะไรนะเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นอย่างไรนะ หรือเรากินกาแฟเข้าไปอันนี้มันเป็นกาแฟาอะไรเนาอบางคนบางคนต้องใช้ความคิดอะไรแบบนี้มากนะได้กลิ่นนะกลิ่นดอกอะไรนาะเนะี่ยไม่ไม่ใช่รู้สเฉยๆนะมันรู้แล้วก็คิดไปด้วยเอันนี้คือมันไม่ได้รู้สเฉยๆแต่เราจะเห็นเนี่ยใจเราเวลามันมันรับรู้รักนะ่ะมันรับรู้เฉยๆไหม หรือรับรู้ก็้วไหลไปคิดตามไปด้วยไปปรุงแต่งไปด้วยการภาวนาจริงเนี่ยเราพยายามแค่ดู้เฉยๆแล้วก็กลับมาอันนี้ต้องแยกนะแต่ถ้าเราทํางา น, นเราทํางานที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับกับสมมุตนินะที่ต้องมีชื่อที่ต้องมีแยกเจยะต่างๆอันนั้นก็อันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นต้องเราใส่สมาธินะ อาศัยปัญญาแบบโลกไปแยแกแยะก็ต้องทําไปนะแต่พอทําเสร็จงานตรงนั้นก็ต้องวางนะก็ต้องวางไม่ใช่เราปฏิบัติไปด้วยแล้วก็พอตามองเห็นก็อยากจะไปสนใจในสิ่งที่เห็นอหรือว่าตะหูได้ยินเสียงก็ไปสนใจแต่เสียงที่ได้ยินว่ามันเป็นอะไระอันนั้นบางทีเราปฏิบัตินที่รูปแบบ แต่ใจเราไม่ได้อยู่สำเนือกับตัวมันก็ไม่เกิดประโยชน์ทวนี้พูดถึงการกระทําในรูปแบบถ้าเราทําในรูปแบบได้ได้เยอะๆนะเราก็าจะไปประยุกต์กับนอกรูปแบบได้เองนะบางครั้งทํางานทางโลกมันก็ต้องมันก็ต้องใช้ความคิดใช้อะไรไปก็ก็ใช้ไปนะแต่พอใช้เสร็จเราก็จะวางได้มันก็จะจบได้แต่ต้องอาศัยเนี่ยฝึกให้มันชนานาญสักหน่อย ฝึกชำนาญในการรู้กายซื่อๆนะรู้แบบไม่คิดอแค่รู้สึกเฉยๆรู้ใจก็เหมือนกันแค่รู้ว่าใจมันแว บ, บออกไปไม่ต้องไปแยกแยะว่ามันคือดีไม่ดีคิดอะไรทําไมอย่างไรนะไม่ต้องไปหาเหตุหาผลกับมันครับว่าทําไมมันถึงคิดเรื่องนี้บ่อยจังทําไมมันถึงรู้สึกอย่างนี้นะ ทำไมอารมณ์นี้เกิดขึ้นมามันเกิดเพราะอะไรนะไม่ต้องนะรู้สึกตัวเนี่ยไม่มีทำไมรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่เอ๊ะมันคืออะไรไม่ใชนะ่รู้สึกตัวก็คือแค่รู้รู้อย่างที่มันเป็นครับรู้อย่างที่มันเป็นเนะี่ยแค่นะั้นเราพยายามเนี่ยสิ่งแรกสำคัญคือสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นนะ ให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้มันจะเป็นเหมือนเหมือนแสงแสงเทียนแสงไฟก่อนครับนะมันยังไม่ไม่สว่างสลอดนะแต่มันเป็นสว่างนะในขณะนั้นๆนะเหมือนเรามีไฟฉายครับนะไฟฉายเราเดินมาจากปุติมาถึงที่ศาลาเนะี่ยไฟฉายมันก็สว่างที่ตรงหน้าเรา มันก็คือเพียงพอแล้วนะเหมือนแม้ตอนเช้าสี่สี่มันจะมืดแต่เรามีไฟฉายเดินมาจากกุฏิถึงศาลาเนี่ยมันก็ทําให้แต่ละก้าวที่เราเดินมาเนี่ยปลอดภัยมั่นคงได้ชีวิตของเราเองก็เหมือนกันจุดตั้งต้นในการทําความรู้สึกตัวขี่รักขณะขี่รักขณะนี้ครับเหมือนเรามีไฟฉายที่เดินนําทางมาทีละก้าวขีละกนะ้าว ก็เกิดความส ว, าว่างไสวในทีละคณะนะเกิดความรู้ตัวทีละขณะเนี่ยมันก็คือสร้างความพ้นทุกทีละคณะแล้วนะ่ะนล่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับแล้วเราก็สะสมความรู้สึกตัวทีละขณะนี่แหละจนกระทั่งมันเป็นมหาสติ น, ะ น, ะน่ะมันเข้าย้อนเข้ามาเห็ น, นเห็นรากเหง้าของความหลง เห็นรากเง่าของความจึดติดต่างๆนะเมื่อมันมีกําลังมันจะถอนออกมานะมันจะตัดมันจะถอนรากถอนโคนมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะแต่มันเป็นระดับที่ต้องสะสมสติปัญญาจากการภาวนาทีละขณะนี่แหละนะครับนะอย่าเพิ่งไปกังวลถึงตรงนั้นนะเราทำเพียงแค่ว่าจะทำอยังไรให้เกิดความสุดตัวได้บ่อยที่สุดนะกลับมาจากความหลงนะได้เร็วที่สุดนะ วิตในการปฏิบัติอ่ะก็มีแค่สองอย่างมีแค่รู้กับหลงถ้าเราหลงนะไม่ว่าจะหลงอะไรก็แล้วแต่หลงวัตถุภายนอกก็แล้วแต่หรือหลงไปคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่นั่นคือความหลงนะไม่ว่าจะหลงไปอยู่ในความสุขก็ดีนะนะพอใจในความสุขนี่ก็ถือเรียกว่าหลงไปจมอยู่ในความทุกข์ก็เรียกว่าหลงนะนะอันนี้คือหลงแต่ถ้ารู้เนี่ยรู้เฉย มันสุขเราก็รู้สฉยเฉยมันทุกข์เราก็รู้เฉยเฉยนี่ยคือรู้นะกลับมารู้สฉยเฉยให้มันได้มากที่สุดนะรู้นะรู้เรียกว่ารู้สึกตัวที่มันสดสดใหม่ๆในตอนนี้ครับมันสดใหม่ๆนะมันรู้สึกตัวที่ไม่ไม่ต้องคิดอะไรเลยะ ย, ยไม่ต้องใช้ความคิดแยกนะลองพยายามสัมผัสลงไปนะอื นะปกตให้ลองลองทำตรงนี้นะไม่ต้องหานะสัมผัสตรงไปนะให ม, ม, ม่นมักจะหาแบบไหนนอนอะ่ะลองทำไปครับลองทำไปแล้วก็ให้ใจเพียงแค่รู้สัมผัสไปเนี่ยมันจะแยกแยะได้ของมันเองเนะเมื่อเราแยกแยะได้แล้วก็จะมั่นใจอ๋ออ๋อทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะอมันก็จะทำแบบนี้นะออมันก็จะเข้าใจเมื่อทำได้แล้วมันก็จะง่ายนะ มันก็จะพัฒนาของมันไปเองนะไม่ต้องให้ใครบอกนะมันก็จะขยันเองนะถึงตอนเนี้ยถ้าจับความรู้สึกตัวได้นะมันก็จะขยันนะขยันแบบไม่ใช่แบบนะขยันแบบหน้าตามข้องเครียดน่ะก็จะเป็นขยันแบบรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมานะแต่ก็อย่างว่านะธรรมะก็พูดให้ที่พูดก็คือพูดบอกวิธีวิธี ปฏิบัติทรรมนะครับพูดบอกวิธีการที่จะไปสู่การทาที่สุดแห่งกองทุกทั้งขีดนี้ให้ปรากฏแก่ใจได้ก็คือพูดให้เราเอาไปทำดูให้เราไปเรียนรู้มันก็จะเกิดความเข้าใจธรรมะขึ้นมาผ่านการเห็นความเข้าใจที่แท้จริงในธรรมะคือมันจะเกิดสติ เป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูเนะมื่อดูเมื่อเห็นแล้วนะมันก็คือการที่เราไม่เป็นไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกข์เนะมือ่อมันเห็นแล้วมันก็สุดพ้นนะพ้นเพราะว่ามันเห็นว่ามันมีแต่สภาวะนะมันมีแต่อาการนะอาการของร่างกายนะยืนเดินนั่งนอน อาการของร่างกายที่มันเจ็บปวดเมื่อยอาการใจที่มั น, นมันรับรู้มันปรุงแต่งมันจําได้มันมีเวทนาเกิดขึ้นมันเพียงแค่รู้เรียกว่านามันมีเพียงแค่กิริยาแต่ไม่มีบุคคลเรียกว่ามันมีแต่มีแต่การกระทําไม่มีผู้กระทํา ถ้าเราทาแบบนี้ได้นะโอ้มันจะมัน ม, ม, มีเพียงแค่กิริยามันมีเพียงแค่การกระทําแต่หาผู้กระทําไม่ได้หาผู้รับสุขรับทุกข์ไม่ได้นะมันก็คือการที่มันไม่เป็นอะไรแล้วนะในโลกนีนะ้มันเป็นเพียงแค่สมมุติเป็นเพียงแค่กิริยาที่เกิดดับนะเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นนะอันนี้คือสภาวะธรรมนะที่ ที่มันจะปากกดขึ้นในใจนะแก่ผู้ที่ประพฤติรำนะกระทั่งเข้าใจธรรมะนะเห็นธรรมะนะักก็ฝากไรนะ